จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาฝ่บุญฝ่ากุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่30พิธุนายนพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านได้มากับสายฝนมากับความเย็นทางร่างกายและจิตใจ ร่างกายเย็นเพราะสายฝนใจเย็นเพราะสายธรรมสายบุญสายกุศลถ้ามีทั้งสองสว่วนคือมีทั้งเย็นกายและเย็นใจก็จะมีความสุขถ้ามีเพียงแต่ความเย็นทางกายแต่ใจไม่เย็นใจรุ่มร้อน ความสุขก็จะหายไปแต่ถ้ามีความร้อนทางร่างกายแต่มีความเย็นทางจิตใจความสุขก็ยังมีอยู่เพราะความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่อยู่ในใจความสุขกายหรือความทุกข์กายจะไม่มีอํานาจเหนือความสุขกะความสุข ใจความทุกข์ใจพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราดูแลรักษาใจให้มีแต่ความสุขให้ปราศจากความทุกข์ด้วยการทําความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยการละบาปและด้วยการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลง ถ้าใจเราได้รับ ก, การดูแลรักษาดีแล้วมีความสุขอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็ดีหรือเกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเราก็ดีจะไม่สามารถทำให้ใจนั้น <c oughs> มีความทุกข์ได้เลยเพราะความสุขทางใจมีอนุภาพ เหนือสิ่งต่างๆในโลกนี้ดังนั้นเราจึงควรให้ความสนใจต่อการทํานุ้วาำรุงดูแลรักษาใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาด้วยการคิดดีพูดดีทำดีคิดดีก็คือคิดเพื่อที่จะให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ กับตนและผู้อื่นคิดคิดเพื่อที่จะมาให้เบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนให้กับตนและผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าคิดดีทำดีก็เช่นเดียวกันพูดดีก็เช่นเดียวกันต้องเล็งถึงประโยชน์สุขที่จะตามมาทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นถ้าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรา พูดสิ่งที่เราทำเกิดโทษทั้งกับตัวเราและเกิดผู้อื่นสิ่งนั้นก็เรียกว่าบาปเราก็ต้องหลีกเลี่ยงละเว้นการกระทานั้นเสียเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลอมโมทเทสเสพสุรายาห ม, มาเป็นการกระทาที่จะ ทำให้เกิดโทษทั้งกับตัวเราเองและกับผู้อื่นท่านก็ทรงสอนให้เราหลีกเลี่ยงให้เราละเว้นเพราะเมื่อทำไปแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจตามมาส่วนการทํา <c oughs> การทําความดีทำแล้วเกิดประโยชน์สุขทั้งกับตนเองและกับผู้อื่น เช่นการทำบุญให้ทานนี้ทำไปแล้วก็จะทำให้เกิดความสุขใจทั้งผู้กระทำและผู้ที่ได้รับการกระทำเช่นวันนี้เรานำกับข้าวกับปลาอาหารของข้าวของหวานและสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของพระภิกษุสา ม, มเณรมา บริจามาถวายเมื่อเราได้ทำแล้วใจของเราก็จะมีความสุขมีความภูมิใจมีความอิ่มเอิบใจพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราทำ<ม>ให้มากๆทำให้อยู่เรื่อยๆเพื่อใจจะได้ไม่หิวโหวยไม่กระหายอยาก กับสิ่งต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยเช่นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราไม่ได้ทาบุญอยู่เรื่อยๆไม่ได้ทาความดีอยู่เรื่อย ๆ, อยอยๆใจก็จะหิวโหวยหาความสุขจากสิ่งภายนอกหาจากตาทางตาทางหูทางจมูก ทางลิ้นทางกายก็ต้องลิ้นรนออกไปแสวงหาแต่ความสุขทั้งตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่ว่าจะได้มามากน้อยเพียงไรได้เสพได้สัมผัสมากน้อยเพียงไรก็จะไม่ทำให้เกิดความอิ่มความพอใจก็ยังจะหิวยังกระหายยัง ต้องการยังอยากอยู่และจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่เหมือนกับการทำความดีเพราะเมื่อทําไปแล้วจะทําให้เกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมาตามลำดับเมื่อมีความอิ่มความพอทางใจแล้วก็จะไม่หิวโหยกับความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปแสวงหาไปดิ้นรนเพราะการแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ต้องอาศัยเหตุปัจจัยคือเงินทองต้องมีเงินทองถึงจะมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เช่นอยากจะดูภาพยนตร์ ก็ต้องเสียเงินไปซื้อต้องไปซื้อตั๋วเข้าโรงภาพยนตร์หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไปซื้อเครื่องเล่นภาพยนตร์มาไว้ดูที่บ้านแล้วก็ต้องไปซื้อแผ่นที่บรรจุภาพยนตร์ไว้มาดูดูมากน้อยเพียงไรก็ไม่รู้จักอิงไม่รู้จักพอก็ต้องคอยหามาอยู่เรื่อยๆ ก็ต้องไปหาเงินทองมาอยู่เรื่อยๆเงินทองก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะหาง่ายเหมือนกับเหมือนกับก้อนอิดก้อนปว้นที่เราสามารถเก็บได้ตามข้างถนนเงินทองนั้นต้องเกิดจากการทำมาหากินก็ <c oughs> จะต้องมีความเหน็ดเหนื่อยจะเสียเวลากับการหาเงินหาทอง เมื่อได้เงินได้ทองมาแล้วก็มาเสียเวลากับการใช้เงินใช้ทองไปซื้อข้าวซื้อของซื้อสิ่งต่างๆที่จะบำรุงบำเลอความสุขทางตาหูจมูกลินกายทําไปก็จะวนไปอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆจนแก่เท่าจนทําไม่ได้และเมื่อทําไม่ได้ก็จะหมุดหงิดใจ เศร้าซ้อยหอยเหาอยู่กับบ้านออกไปข้างนอกไม่ได้ไม่มีความสุขและเมื่อตายไปก็ต้องไปกับจิตใจที่หิวโหยก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้ากิมาเกิดสูงหรือต่ำก็ขึ้นอยู่กับบาปบุญที่ได้ทำไว้ถ้าทำบุญมากกทําทำบาป ก, ก็ได้ ไปเกิดเป็นเทพแล้วก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญก็ต้องไปเกิดในอบายแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาสร้างบุญสร้างกรรมใหม่กลอเวียนไปอยู่อย่างนี้อยู่มาหลายรอบแล้วและจะวนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดถ้าไม่ ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือทําความดีละบาปและชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชําระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจเพราะเมื่อไม่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วใจก็จะมีความอิ่นเต็มที่ไม่มีความหิวความอยาก ความต้องการอะไรอีกต่อไปเมื่อเป็นเช่นนั้นใจก็จะไม่ไปแสวงหาภพชาติใหม่ไม่ไปเกิดใหม่อีกต่อไปเพราะใจได้ถึงพระนิพพานแล้วพระนิพพานคือสถานภาพของใจที่มีความสุขเต็มเปี่ยมเป็นความสุขตลอดอนันตการจึงทรงเรียกว่าเป็นปรมังสุขขัง เป็นบำลมมาสุขเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีความเสื่อมสลายหมดไปเหมือนกับความสุขทางโลกที่ได้สัมผัสแล้วก็จางหายไปเราจึงต้องหาความสุขทางโลกอยู่เรื่อยๆหาไปกี่พบกี่ชาติก็ยัง ไม่ได้ความสุขนั้นอยู่กับเราไปตลอดเพราะธรรมชาติของความสุขทางโลกนั้นมันไม่เที่ยงนั่นเองมันมีการเก่อยขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปพระพุทธเจ้ามีพระปัญญาจึงทรงเห็นความไม่เที่ยงของความสุขทางโลกจึงได้ทรงสละความสุขทางโลกแล้วก็หันไปหาความสุข ทางในทางในใจความสุขทางธรรมเพราะเป็นความสุขที่ถาวร น, นั่นเองเมื่อได้ทรงพบความสุขที่ถาวร น, นี้แล้วจึงได้นําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกผู้ที่มีจิตศรัทธา<ม>ที่หลังจากได้ยินได้ฟังแล้วนําเอาไปปฏิบัติ ไม่ช้าก็เร็วก็จะได้พบกับความสุขที่ปัจจุบนนี้กลายเป็นพระอาหารหันต์เป็นจำนวนมากมาจนถึงปัจจุบันนี้และจะเป็นไปอยู่เอกจนกว่าศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นจะสูญสิ้นหมดไปคือไม่มีผู้ศึกษาและปฏิบัติ ศาสนาก็จะหมดไปหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงว่างของศาสนาจะไม่มีใครรู้จากความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ที่ไหนและจะปฏิบัติเพื่อให้ได้ความสุขนั้นมาอย่างไรก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้แล้วประกาศสอนพระธรรมคำสอนใหม่ พวกเราจึงถือว่าโชคดีที่ได้มาเกิดในช่วงที่ยังมีพระศาสนาอยู่ในโลกนี้มีการสั่งสอนพระธรรมคำสอนมีการศึกษามีการปฏิบัติเราจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีโชควาสนาเพราะถ้าไปเกิด ในช่วงที่ไม่มีพระศาสนาไม่มีการเผยแผ่พระธรรมคำสอนไม่มีการปฏิบัติแล้วเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงเลยแต่ชาตินี้เป็นบุญวาสนาของเราที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงไม่ควรปล่อยโอกาสอันดีงานนี้ให้หลุดมือไป ควรไขว่คว้าหาความสุขที่แท้จริงมาเป็นสมบัติของเราให้ได้ซึ่งไม่อยู่เหนือวิสัยของมนุษย์อย่างพวกเราเพราะมีมนุษย์อย่างพวกเราที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติและได้สมบัติที่ประเสริฐคือความสุขที่แท้จริงนี้มาครอบครอง อยู่เป็นจำนวนมากแล้วตั้งแต่ในสมัยพระพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้เราเพียงแต่ศึกษาแล้วเรานำมาปฏิบัติเท่านั้นเองท่านสอนให้เราทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมเราก็พยายามทำกันเช่นทำบุญให้ทานเช่นมีความกตัญญูกตเวที มีสัมมาคารวะมีการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวมีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นการกระทำความดีส่วนการกระทำบาปที่ทรงสอนให้ละก็คือการเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองอย่าไป เบียดเบียนผู้อื่นด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติประเวณีพูดปดมดทเทศเสพสุรายาเงาและอบายยมุกทั้งหลายเพราะจะสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายให้กับตัวเราเองและกับผู้อื่นส่วนการชำระใจให้สะอาด ชำระความโลดความโกรธความหลงก็ต้องอาศัยการบาเพ็ญจิตตภาวนาเพราะการบาเพ็ญจิตตภาวนานี้เป็นเครื่องมือที่จะซักฟอกจิตใจเหมือนกับผงซักฟอกที่เราใช้ในการซักฟอกเสื้อผ้าถ้าซักเสื้อผ้าโดยไม่มีผงซักฟอกก็จะไม่สะอาด แต่ถ้าเราใช้ของซักฟอกก็จะทำจะก็จะซักจะฟอกเสื้อผ้าให้สะอาดหมดจดได้ใจของเราก็เช่นเดียวกันการทําความดีและการละบาทยังไม่พอเพียงต่อการซักฟอกใจของเราให้บริสุทธิ์ได้การทําความดีการละบาปเป็นการ <c oughs> ตัด ด้วยว่าเป็นการลดจำนวนของความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปเท่านั้นแต่ยังไม่สามารถทำให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจได้จึงต้องอาศัยการปฏิบัติจิตตะภาวนาที่มีอยู่สองส่วนด้วยกันคือสมถภาวนา ทำจิตใจให้สงบวิปัสสนาภาวนาทำจิตใจให้รู้แจ้งเห็นจริงต่อสิ่งที่จิตใจไปหลงไปยึดไปติดไปโลภไปอยากถ้าเห็นแล้วว่าเป็นอย่างไรก็จะไม่หลงไม่โลภไม่โกรธดังนั้นนอกจากการทำความดีละบาปแล้วเราก็ยังต้อง ทำจิตตะภาวนาด้วยซึ่งเราสามารถทําได้ด้วยกันทุกคนไม่จําเป็นจะต้องเป็นนักบวชความแตกต่างระหว่าง น, นักบวชกับคารวะ น, นั้นอยู่ตรงที่ว่านักบวชจะมีเวลาปฏิบัติมากกว่าคารวะคารวะต้องเสียเวลากับการทำมาหากินหาเงินหาทองเลี้ยงปากเลี้ยงทอง เวลาที่จะปฏิบัติจึงมีน้อยแต่นักบวชนั้นท่านไม่มีหน้าที่ต้องไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพราะมีญาติโยมคอยดูแลสนับสนุนอยู่แล้วจึงมีเวลามากที่จะใช้กับการปฏิบัติจิตตภาวนานักบวชจึงเป็นผู้ที่มักจะได้รับผลจากการปฏิบัติ มากกว่าคารวะญาติโยมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านักบวชกับคารวะญาติโยมนั้นมีความแตกต่างกันในความสามารถที่จะปฏิบัติต่างกันตรงที่ว่าเวลามีมากน้อยต่างกันเท่านั้นเองสำหรับคารวะบางท่านถึงแม้ไม่ได้บวชแต่มีเวลาว่างอยู่มากก็สามารถปฏิบัติได้เหมือนกับนักบวช เหมือนกันและสามารถบรรลุถึงผลของการปฏิบัติได้เหมือนกันเพราะการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็ดคาราวาสจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวสําคัญในการที่จะทําให้เกิด การบรรลุผลขึ้นมาตัวที่สำคัญก็อยู่ที่การปฏิบัติเท่านั้นถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้มากเท่าไหร่โอกาสที่จะได้บรรลุผลก็มีมากขึ้นเท่านั้นถ้าปฏิบัติน้อยโอกาสที่จะบรรลุก็น้อยหรือจะช้าถ้าปฏิบัติมากก็จะบรรลุเร็ว ก็มีอยู่เท่านี้เองไม่ได้อยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเราอย่าให้กิเลสมาหลอกเราว่าสมัยนี้เราไม่สามารถปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลที่พระพุทธเจ้าทรงได้บรรลุแล้วได้เพราะไม่มีพระพุทธเจ้าคอยสั่งสอนเราอยู่แล้วอย่างนี้ก็เป็นการเข้าใจผิดเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ก่อนที่จะจากเราไปว่า ธรรมวีในที่ตถาคตตัดไว้ชอบแล้วตัดไว้ดีแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่อยู่ปราศจากศาสดานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงฝากไว้ก่อนที่จะจากเราไปไม่ให้เรายึดติดกับตัวพระพุทธเจ้าแต่ให้เรายึดติดกับ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์แท้ๆของพระพุทธเจ้าร่างกายของพระพุทธเจ้ากับร่างกายของพวกเราก็ไม่มีความแตกต่างกันมีอาการ32เหมือนกันต่างกันที่ใจเท่านั้นใจของพระพุทธเจ้านั้นเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์และทรงถ่ายทอดความสะอาดบริสุทธิ์นั้นไว้ในพระธรรมคำสอน ดังนั้นผู้ใดที่ได้ศึกษาพระธรรมคาสอนและได้บรรลุธรรมก็จะเป็นผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้พบพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนังที่ทรงจับไปว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ที่จะเห็นตถาคตได้ต้องเป็นผู้เห็นธรรมเท่ทานั้นการที่จะเห็นธรรมได้ก็ต้องเกิดจากการปฏิบัต ปฏิบัติตามพระธรรมทางมสอนคือการทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อการละบาปทั้งปวงและการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดเส้นไปจากผิดจากใจดังนั้นพวกเราทุกคนจึงมีสิทธิเท่าเทียมกันในการที่จะปฏิบัติเพื่อให้ได้ ผลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุถึงขอให้เราปฏิบัติเท่านั้นปฏิบัติให้มากๆทำบุญให้มากละบาปให้มากแล้วก็เจริญจิตตภาวนาให้มากเบื้องต้นก็หมั่นทําจิตใจให้สงบระงับไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆที่ไม่จำเป็น วันวันหนึ่งเราจะเสียเวลากับการคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปอยู่ตลอดเวลาใจของเราจึงไม่ค่อยสงบมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความฟุ้งซ่านเราจึงต้องคอยควบคุมบังคับไม่ใช่เฉพาะแต่เวลาที่เรานั่งปฏิบัตินั่งทำสมาธิเท่านั้นเราควรควบคุมใจตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเลยตื่นขึ้นมาก็ต้องดูความคิดของเรา ดูใจของเราว่ากำลังคิดอะไรอยู่ถ้าคิดเรื่องเรื่อยเปยื่อยเรื่องที่ไม่จำเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันก็อย่าไปคิดให้คิดอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เร า, ากำลังทำอะไรก็ให้เรามีสติรู้อยู่กับการกระทำสิ่งต่างๆนั้นๆอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่ใช่เรื่องที่เรากาลังทาอยู่ ให้ดูใจเราให้อยู่กับการทำงานของเรากำลังแปลงฟันก็ให้อยู่กับการแปลงฟันกำลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารกำลังอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้อยู่กับการกระทำนั้นๆอย่าให้ไปอยู่ที่อื่นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติสมาธิแล้วเป็นการทำจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน ถึงแม้จะไม่สงบแต่อย่างน้อยก็ไม่ฟุ้งซ่านจะมีความร่มเย็นเป็นสุขแล้วถ้าถึงเวลาที่จะมานั่งทำสมาธิก็จะสามารถควบคุมใจให้อยู่กับงานที่เรากำหนดไว้ให้ทำได้ถ้ากำหนดให้อยู่กับบทสวดมนต์ก็จะสวดมนต์ไปเรื่อยๆไม่ไปคิดเรื่องอะไร จิตก็จะสงบลงอย่างรวดเร็วถ้าให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆก็จะบริกรรมแ ต, แต่พุทโธพุทโธไปอย่างเดียวไม่แวะไปคิดเรื่องนั้นไม่แวะไปคิดเรื่องนี้ไม่นานจิตก็จะสงบตัวลงได้หรือถ้าให้กำหนดดูลมหายใจเข้าออกก็จะอยู่กับลมหายใจเข้าออก แล้วไม่นานจิตก็จะรวมลงสู่สมาธิเมื่อรวมลงแล้วจิตก็จะมีความสุขชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะที่สงบตัวลงเป็นความสุขที่แปลกประหลาดมหัสสะจำใจอย่างยิ่งเหนือความสุขต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ถ้าเราได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้แล้วเราก็จะเข้าใจว่าพระเราก็จะรู้ว่า ความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนเ <c oughs> <c oughs> มื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะพยายามรักษาความสุขนี้ให้มีมากขึ้นไปและให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆ <c oughs> แต่เนื่องจากว่าการนั่งสมาธิของเรานั้นเราไม่สามารถนั่งได้ตลอดเวลาหลังจากไม่นั่งได้ไม่นานเราก็ต้องลุกขึ้นมาเพื่อไป ทำหน้าที่อย่างอื่นแต่เรายังสามารถรักษาความสุขที่มีอยู่ในใจนั้นได้ด้วยการเจริญวิปัสสนาคือเราจะต้องเฝ้าดูใจของเราเวลาที่ใจเกิดไปมีความหลงอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ให้เห็นว่าสิ่งที่เราหลงอยากได้นั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสมบัติ ที่แท้จริงของเราคือจะไม่อยู่กับเราไปตลอดเช่นเราเห็นคนนั้นเห็นคนนี้แล้วเราเกิดความอยากได้เขามาเป็นคู่ครองเพราะเราจะคิดว่าเราจะมีความสุขกับเขาเราจะอาศัยพึ่งพาเขาได้แต่นี่เป็นความหลงผิดเพราะความจริงแล้วเมื่ออยู่กับเขาแล้วความสุขที่ได้นั้นก็ มีไม่มากกว่าความทุกข์ที่จะตามมาเพราะเมื่ออยู่กับเขาแล้วไม่นานก็อาจจะเกิดการทะเลาะบอกแว้งกันได้ก็จะมีความทุกข์ตามมาหรือไม่เช่นั้นก็อาจจะต้องคอยห่วงต้องคอยกังวลเวลาที่ไม่เห็นหน้าเขาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าและเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องจากเราไป เราก็ต้องทุกข์ใจร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขเพราะเขาเป็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวรเขาต้องเปลี่ยนไปอยู่เสมอเสมอตอนที่เขาพบเราใหม่ๆเขาก็ดีเสียทุกอย่างแต่พออยู่กับเราไปแล้วเขาก็เปลี่ยนไปเคยดีก็กลับมาไม่ดีเป็นต้นอย่างนี้ นี่เรียกว่าเป็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนและไม่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราเพราะจะไม่อยู่กับเราไปตลอดหรือเมื่อเราจากเขาไปเราก็เอาเขาติดกับเราไปไม่ได้เราไปได้แต่ใจเพียงอย่างเดียวเราเอาเขาไปกับเราไม่ได้เราเอาร่างกายของเราไปไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราพิจารณาให้เห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้รวมทั้งร่างกายของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราไม่ได้ให้ความสุขกับเราที่แท้จริงมีแต่ให้ความทุกข์กับเราและไม่จีรังถาวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย นี่คือวิปัสสนาพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงต่างความเป็นจริงเมื่อเราเห็นแล้วเราก็จะไม่หลงยึดติไม่อยากจะได้ไม่อยากจะเข้าใกล้เหมือนกับเราพิจารณาเห็นงูพิดว่าเป็นเป็นงูพิษถ้าเราไม่พิจารณาถ้าเราไม่รู้จักว่างูพิษเป็นอย่างไร เวลาเราเจองูพิษเราอาจจะคิดว่าเป็นงูธรรมดาไม่มีพิษก็ได้เราก็จะไม่กลัวเราก็จะกล้าเข้าใกล้แต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นงูพิษเราก็จะกระโดดหนีทันทีเลยฉันใดสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เป็นพิษเป็นภัยกับใจทำนั้นแต่ใจไม่รู้ว่าเป็นพิษเป็นภยัยหลงคิดว่าจะให้ความสุขกับใจ จึงวิ่งเข้าหาคอยแสวงหาสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคลหามาได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องมาทุกขมาวุ่นวายใจกับสิ่งที่หามาได้แต่ก็ไม่ไม่เคยคิดเลยว่ามันเป็นพิษเป็นภัยกับตนจะทุกข์ขนาดไหนจะร้องห่มร้องไห้ขนาดไหนจะหวาดกลัวขนาดไหน ก็ไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุที่ทำให้ตนต้องทุกข์ต้องวุ่นวายใจเราจึงต้องพิจารณาต้องเจริญวิปัสสนาภาวนาถ้าเราพิจารณาให้เห็นถึงความเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนว่าเป็นทุกข์และไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่ตัวเราเราก็จะได้ปล่อยวาง เราจะได้ไม่ยึดไม่ติดกับมันอีกต่อไปเมื่อเราปล่อยวางแล้วใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มีปัญญาหรือวิปัสสนานี้เท่านั้นที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทำให้เราปล่อยวางได้ทำอย่างอื่นไม่สามารถทำให้เราปล่อยวางได้สมะถะภาวนาก็เพียงแต่ทาให้เราปล่อยวางได้ชั่วคราว ในขณะที่ใจสงบเท่านั้นส่วนการละบาปและการทำบุญก็เพียงแต่ทำให้มันเบาบางลงไปเท่านั้นความยึดติดต่างๆมีวิปัสสนาภาวนาเท่านั้นที่จะทำให้เราปล่อยวางได้เต็มที่เลยเราจึงต้องปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาด้วยแต่เราต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนไป เบื้องต้นก็ให้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพอให้มีความกตัญญูกะตะเวทีให้มีสัมมาคารวะให้มีเจดเนตากรุณาให้มีจาคะการเสียสละแล้วก็ให้ละเว้นจากบาปกรรมและอบายมุขทั้งหลายแล้วค่อยมาเจริญสมถ ภ, ภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อออกจากความสงบแล้ว ก็หมั่นสอนใจให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสมบัติของเราไม่ใช่ตัวเราถ้าเราทำอย่างนี้แล้วต่อไปจิตของเราก็จะอยู่ห่างไกลจากความทุกข์จะมีแต่ความสุข โดยที่ไม่ต้องมีอะไรภายนอกเลยไม่ต้องมีเงินมีทองไม่ต้องมีคู่ครองไม่ต้องมีสมบัติข้าวของต่างๆเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านอยู่อย่างนั้นท่านอยู่อย่างอย่างมีความสุขเต็มที่ภายในใจเพราะท่านได้ทำ<ม>หน้าที่ของท่านครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว คือได้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมได้ละบาปทั้งตัวหมดหมดสิ้นไปแล้วและได้กำจัดได้ชำระกายชาระใจจนสะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงจนหมดสิ้นไปจากจิตจากใจท่านจึงได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ขึ้นมาพวกเราก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน ถ้าเราดำเนินปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่มสอนจึงขอให้เรามีความเชื่อมั่นและให้มีความยินดีต่อการปฏิบัติแล้วประโยชน์สุขต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับเช่นเดียวกันจึงขอฝากเรื่องการมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญปฏิบัติตามพระธรรมคาสอน และท่านได้นาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมกวรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีลรัตนไกรจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญแค้วคกราดปลอดภัย จับทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ